ต่อนนี้ไปตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราในพรรษาเข้าพรรษามาถ้าคิดเป็นอาทิตย์กว่าได้สามอาทิตย์ถ้าคิดเป็นวันพระมาก็าได้สามวันพระอีกวันพระหน้าเพนหน้านี้ก็ครบหนึ่งเดือน รักษาศีลมานี้เป็นครั้งที่สามรักษาศีลอุโบสถของญาติโยมเว้นเสียแต่ท่านผู้รักษาศีลอุโบสถประจำตลอดไตรมาสสามเดือนส่วนผู้ที่รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระก็ น, นี่เป็นครั้งที่สามให้พวกเราถือรักษาให้ตลอดรอดฟังนั่นแะ่ะด้วยความตั้งใจของพวกเรา อย่าไปให้ยาให้มันขาดลน่นขาดตกบกพร่องในการสร้างคุณงามความดีอย่างอื่นเราเคยทำมามากต่อมากปีหนึ่งมี365วันแต่นี่เรารักษาศีลทุกวันพระถ้าจะว่าไปแล้ว3มเดือน4ี่สาเพียง12วันเท่านั้นเองไม่เห็นมากมายอะไร365้าวันนั้น ฟรีฟรี่างั้นเถอะไม่รักษาสีนุบสถแต่รักษาศีห์ห้าก็มีอยู่บ้างแต่สรุปแล้วเราปล่อยทางกายวาจาใจของเราไปทางโลกเสียมากกว่าถ้าคิดในแง่เป็นวันคืนเดือนปีมาแล้วเราปล่อยปะละเลยไปทางโลกเสียมากเราจะหันหน้าเข้าธรรมะนี่รู้สึกว่าน้อยพวกเราได้สำเนียกสำนึก บั่งหรือเปล่ายัง ม, มีแต่วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราไม่ได้คิดมันก็ผ่านไปแต่เราคิดเป็นวันเวลาออกมาแล้วการสร้างคุณงามความดีของเราเนี่หรือว่าึกจะน้อยไปนะถ้าคิดเป็นวันออกมาอีก24ชั่วโมงเนี่ยเราได้ภาวนาได้ประกอบคุณงามความดีอะไรบ้าง ใน24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะทบทวนให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะในตัวของเราถ้าว่าใครคิดอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นทบทวนอยู่อย่างนั้นจิตใจก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่หลงละเลิงจนเกินไปเหมือนกับเราทํามาค้าขายใครทํามาค้าขายไม่ได้คิดต้น คิดดอกปล่อยป่าละเลยไม่ได้คำนวณว่าผลกําไรอย่างไรบางทีมันอาจจะเล็ดลอดออกไปกว่าจะรู้จักได้ไม่รู้่าใครฉกฉวยเอาไปที่ไหนก็ไม่รู้บางทีขาดทุนสูญทรัพย์เจ๊งไปตามๆกันมีมากต่อมากเพราะไม่ได้เช็คบัญชีประจําวันถ้าหากว่าพวกเราเช็คบัญชีประจําวันว่าวันนี้ขายได้เท่าไรกําไรเท่าไรขาดทุนเท่าไร เราซื้ออะไรเข้ามาในล้านของเราบ้างเราขายจำนายไปเท่าไรถ้าว่าใครกวดขันอย่างนั้นแปลว่าคนนั้นถึงจะขาดทุนในทรัพย์สมบัติในการทำมาค้าขายก็ไม่ถึงกับจะล่มจมกิบหายถ้ามันขาดทุนมากเราก็หยุดไว้ก่อนอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่าผู้ทามาค้าขายทางโลกพวกเราศึกษาธรรมะปฏิบัติก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ แต่ละวันเราปล่อยจิตปล่อยใจอะไรไปบ้างวันนี้โกรธให้ใครกี่ครั้งรักใครกี่ครั้งโงงอะไรบ้างวันนี้เรารักษาศีลได้ไหมวันนี้เราได้ภาวนาเราไหวพระได้สวดมนต์ในนั่งภาวนากี่นาทีกี่ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ควรจะ ทบทวนดูบ้างนะถ้าไม่ทบทวนบางทีมันก็ไล้ล้าวันจึงจะเดบหนังภาวนาทีหนึ่งอันนี้กับแสดงว่าเราปล่อยปาละเลยในชีวิตในคุณงามความดีของเราจนเกินไปเสียแล้ว้ารักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกญาติโยมทุกๆท่านรอถึงพระสงฆ์แล้วก็ให้ทบทวนเช่นเดียวกันนั่นแหละใครๆก็ต้องหวังความสุข ทางด้านธรรมะฝังความสุขทางด้าน จ, จิตใจหวังความบ้นพุกในที่สุดก็ต้องคิดต้องทบทวนอย่างนั้นนะเข้ามาบวชเราเขามาบวช เ, เพื่อฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะอยู่แบบคารวะก็ไม่ได้การอยู่การฉันการพูดการแสดงออกถือว่าเราเป็นพระ ตอ24ชั่วโมงถึงจะนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออเนี่เราเป็นพระเราควรทำตัวอย่างไรการพูดอย่าไปเอาเรื่องทางโลกมาพูดถ้าหาว่าเอาเรื่องเรื่องทางโลกมาพูดจิตใจมันออกไปทางโลกด้วยเพราะนั้นต้องศึกษาธรรมะให้มากๆในพรรษานี้เพราะหาโอกาสได้ยากชีวิตทั้งชีวิตอาจจะมีเพียงเท่านี้ก็ได้ ตอกนั้นเราก็ปล่อยปะละละเลยไปตามกระแสของโลกไปเป็นกระวติธรรมาหาเลี้ยงชีพต่อไปนี่เป็นโอกาสอันดีที่สุดพวกเราควรจะศึกษาให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติอย่าไปถือว่าตัวเองอยู่ในกรอบคิดผิดเชแล้วเขามาบวชในครั้งนี้เหมือนกับติดคกุกไม่อิสระ คำว่าอิสระนะั่นคืออิสระของกิเลสหนึ่งกิเลสพาอิสระบัดนี้เอาธรรมะเข้าไปสกัดกิเลสความรู้สึกคึกขนองต่างๆนะสกัดมันออกไปให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่กิเลสมันอึดอัดเพราะงั้นเถอะมันอึดอัดมันอยากจะกระโดดไปตามแถวแนวเก่าเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของอหัวใจของเราเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้ากิเลสขึ้นมานั่งแล้วบัญชาการ ไปในทางต่างๆมีแต่เรื่องรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องลงเรื่องสนุกสานานเฮฮาอั น, นั้นกิเลสบัญชาการส่วนธรรมะเข้าบัญชาการนั่งเก้าอี้หัวใจนั่งหัวใจของเราแล้วจะต้องคิดทบทวนว่าเออชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะชีวิตของเราไม่ยืนยาวนะเราควรจะประกอบคุณงามความดีนะมองเห็นหมูเห็นเพื่อนเห็นใครๆก็ตามด้วยความเมตตาสงสารด้วยความรัก ด้วยความหวังดีจากนั้นก็สร้างแต่คุณงามความดีตนเองก็ต้องการความสุขผู้อื่นก็ต้องการความสุขสิ่งที่มันทุกข์อย่าไปโยนให้เขาเลยอย่าไปทําให้เขาเลยสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาถ้าเราไม่พึงปรารถนาเราอย่าไปโยนให้สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาให้เขาเลยอันนี้คือธรรมะเข้าอยู่ในหัวใจท่านผู้ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ผู้อยู่รอบด้านรอบข้างก็เป็นสุขอยู่ใกล้ๆ ก, ก็เป็นสุขถ้าหากกิเลสเข้าเป็นผู้บัญชาการแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์นอนอยู่ใกล้ชิดก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปหมดพอใจของเราเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นให้พวกเราสังเกตดูเข้ามาบวชในพุทธศาสนานพยายามบวชทางกาย บวชทั้งวาจาบวชทั้งใจนะอย่าไปบวชแต่กายเฉยเฉยส่วนใจนั่นเละหล่อนล่องแรงนะล่องรอยออกไปข้างนอกจนไม่มีวันจะกลับเข้ามาอันนั้นใช้ไม่ได้เนี่ยพอเวลาเราบวชเราต้องพยายามให้บวช บ, บังคับกายของเราเรายังบังคับให้บวช ด, ด้วยองปองผมให้อยู่อย่างนี้อากับกิริยาอย่างนี้การเป็นอยู่อย่างนี้บังคับจาักรกาย วาจาเราก็บังคับอีกเราควรพูดอย่างนั้นเราไม่ควรจะร้องเพลงเราจะไม่ควรร้องลําขับร้องการพูดวาจาที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้บวชวาจาส่วนใจของเราเราจะไปปล่อยปะละเลยเพราะไม่มีใครมองเห็นไม่ได้เด้เราต้องกลับเอาเข้ามาบวชอีกเหมือนกันให้นึกอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้ ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทำจิตให้สงบอย่างนี้อันนี้คือบวดใจนะถ้าปล่อยป่านละเลยไปว่าใจไม่บวดบวดแต่กายขวาจานะบางคนบวดแต่กายวาจายังไม่บวดอันนี้คือยังใช้ไม่ได้ไม่บวดทั้งสามไม่พร้อมกันทั้งสากายวาจาใจนะเพราะนั้นพวกเราควรจะบวดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยนะ สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่าไปลิคิดลิธรรมอย่าไปลิคิดคือว่าคิดยังไงสมัยก่อนเราร้องเพลงไปที่ไหนก็สนุกสนานร้องเพลงแต่นี้เรามาบวชถึงจะไม่ร้องเพลงทางวาจามราก็ร้องเพลงทางใจได้มันเคยมีร้องเพลงทางใจอย่าให้มีร้องเพลงทางใจพอเราระลึกได้ว่าโอ้มันร้องเพลงทางใจนึกพุโทโธสาทัาก็เลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธ นะบังคับให้อยู่กับพุทธโธเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราเป็นพระไม่ ใ, ใช่เราเป็นรนะครวญบังคับตัวเองให้อยู่กับพุทธโธเดินกับพุทธโธนั่งกับพุทธโธนอนกับพุทธโธเราพยายามบวชใจสามเดือนเนี่ยเป็นยังไ ง, บ, งบับงคับมั้งั่นจะเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราบังคับใจตัวเองได้นะเคล้ายๆกับกช้างที่มันตกมันเราบังคับมันไม่ได้แต่ขณะที่เราสอนมันได้มันหยุดส ง, งัด ในการบังคับของมันอ่ะมันก็อยู่ในกรอบมองอะไรเป็นเหตุเป็นผลใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่เพื่อนฝูงมองก็เออเป็นสุขเป็นสุขใจเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกพระหมู่พวกเพื่อนทุกองนะทั้งพระใหม่พระเก่าให้ต้ง อ, อกตั้งใจนะเราบวชเป็นพระนะ เราไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะการกระทาของเราต้องทํารวมระวังนะการจะพูดกับใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภกโยมผู้าผู้หญิงให้ระวังเป็นอย่างมากอันนี้เกีย่ยวกับวินัยด้วยเนี่โลกวัดชะด้วยอต้องศึกษาวินัยให้ดีนะเราเป็นพระนะราะนั้นเวลาญาติโยมใครมาก็ตามในวัดของเรา ญาติพี่น้องของพระใหม่ทำไมจําเป็นจริงไม่ให้เข้าไปกุติให้มาพบที่ศาลาเพราะเหตุไรก็เพราะศาลาเป็นแหล่งที่พบปะญาติโยมญาติพี่น้องถ้าหว่าเข้าไปในวัดเป็นการบรบกวนพระองค์อื่นเขาทำความไม่สงบสิ่งเหล่านี้เราควรจะบอกญาติพี่น้องของเราทำไมจาเป็นจริง แตนะ่วันเข้าบวชเออก็ะใหม่ว่ากันวันเข้าบวชนเราให้ไปแต่นอกจากวันบวชแล้วไม่ควรจะเข้าไปนะควรจะบอกญาติพี่น้องของตัวเองทํำไมจําเป็นจริงกับพบกันที่สลาพูดคุยกันนะมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วนะก็จบกันไม่ใช่ว่าแห่กันไปแห่กันมาแห้กันมาแห่กันไปนะทําให้องค์อื่นที่ท่านปฏิบัติลำบากลาคาหัวใจทําไปหลายๆคนกับไปเที่ยวน่นทเที่ยวนี้วัดก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ผู้ที่บวชเข้ามาบวชเข้ามาสามเดือนก็ดีบวชเป็นพระเก่าก็ดีท่านไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นท่านมุ่งวังเพื่อภาวนาจะทำอย่างไงจึง จ, ง จ, งจะพลิกจิตพลิกใจให้หลุดพ้นจากกิเลสนั่นคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคิดอย่างนั้นเท่านั้นอจากนั้นมีใครเข้าไปรบกวนท่านก็ทําให้ท่านเสียเวลาในการบวชของท่านในการปฏิบัติธรรมของท่านวันหนึ่งเห็นไหมท่านฉันเพียงมื้อเดียวอ่ ท่านอดขนาดไหนท่านอดทนขนาดไหนท่านอึดขนาดไหนการเป็นอยู่ของท่านท่านทํารวมกายวาจาใจของท่านบวชทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของท่านท่านมาอยู่ท่านสู้ขนาดไหนแต่นี้เรามาทําให้ท่านเสียเวลาหรือพระก็ทําให้เสียเวลาตัวเองเป็นการที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรอย่างยิ่งนะอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกเอาไว้ ห้ามเอาไวา้เออมาถึงหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลยแบบนั้นเถะอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่ท่านห้ามปลามาไว้อย่างนั้นห้ามได้หลา ย, ลายอย่างผลที่จะตามมาอีกอย่างเยอะแยะถ้าคุกครีตีโมงกันนะอันนี้ก็คือบอกประกาศให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่าทําไมวัดของเราจึงไม่ให้มีการปล่อยคนเข้าไปเที่ยวเหมือนวัดอื่นๆเขาน อ, อ ความหมายกัอย่างที่กล่าวมานี่แหละอยากจะให้พระอยู่ในความสงบไม่อยากจะให้จุ่งเรืงบุญวายเกี่ยวกับผู้ไปเกี่ยวข้องนะจากนั้นพระที่ท่านเข้าอยู่กระทั้งอกตั้งใจภาวนาศึกษาอ่านหนังสือบ้างเป็นเว ล, เวลาหลัจากนั้นก็ฟังเทปที่มีศึกษาธรรมะจากเทปเสียงของท่านครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างไรอืม ตลอดถึงแนวความคิดธรรมะที่ท่านพูดมาแล้วก็แถวแนวเดียวกันนั่นแหละเราจะเอาจุดไหนที่เราได้ยินมาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขในใจของเราแต่ทางว่าเราไม่ยอมกินยานะเราไม่ยอมทานยาที่ท่านวางไว้คือว่ายาคนเป็นโรควัดต้องกินยาอันนี้อันนี้นะเราไม่กินเราไปกินโน่นของหวานหวานน้ำตรงน้ำตาล ที่ท่านห้ามก็ไปกินชอบไปกินของสแสลงอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จะทำยังไงเพอเราเป็นผู้เอามากินเองอันนี้ก็เหมือนกันเข้ามาบวชแล้วผู้บาอาจารย์ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าผู้ที่เขามาบวชถ้าว่าเกิดความรักความนั้นไทยพิจารณาท่านให้แต่ที่แรกแล้วก็มาฐานเกสาโลมาณขาทันตาตะโจเนย อันนี้สำหรับตัดการมลาคะในจิตใจของเราถ้าอารมณ์ของเราชุนเฉียวโมโหโทโสอยู่บ่อยๆเป็นอารมณ์เป็นอาจินนะพูดอะไรขึ้นมาโมท่านให้แผ่เมตตาอาให้มองคนในแง่ดีเอาไว้ตนจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา อันนี้แปลว่าตัดความโกรธลงไฟคือโทสะลงได้ส่วนราคะความกำหนัดยินดีที่มันเกิดขึ้นท่านให้พิรารณาอสุภะพิราณาร่างกายร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงถลกหนังหลอกหนังออกดูซิมันเป็นยังไงมีแต่เนื้อสีแดงเถือนมันสวยงามไหมมันมีแต่เนื้อเป็นมัดมัดสวยงามไหมถลอกหนังออกหมดแล้ว อ่แต่นี้พอหลอกอังออกเสร็จแล้วทนี่เลาะเนื้อออกอีกเอาเนื้อออกมากองกองไว้แีนี่ยังเหลือแต่กระดูกอ่ะมันงามไหมเนยแต่เี้กได้ดูตับไตไส้ลำไส้กับเพาะอาหารอหัวใจตับพังผืด อ, อะไรอยู่ข้างในเนะ่ะมันเป็นยังไงพอลงพลังเต็มไปหมดแน่นอยู่ในท้องนะ่ะเป็นไงผ่าวสีมันสวยไหมเนี่ย ถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วมันไม่สวยที่มันปิดหูปิดตาคือสิ่งภายนอกนี่นะมันหลงหนังวนออกไปแหมหลงปูมั่นหลงปูล่าท่านเคยพูดหลงปูมันพันว่าหลงหยังหลงหยังเพราะจะนแหมมันหลงหยังเออมันโมแมน์หลงหยังมันหลงหนังวนมาหลงหนังหลงหนังเออาะถ้าไม่มีหนังแล้วมันไม่หลงมองเห็นคนภายนอกผิวกายผุดผาดเจิดสวยงดงาม ถ้าถลกหนังออกหมดแล้วจะหานงามที่ตรงไหนอันนี้ก็คือตัดกามลาคะกิเลสลาคะภายในใจของเราได้เป็นกองเลยถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเพราะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ท่านให้คิดพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนพิจารณาให้เห็นหาเหตุหาผลมาหักล้างในใจของเราทางพวกพวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นถุกทีเดียว อทางว่าเราปฏิบัติตามนั้นแหละมันเย็นอีกแบบหนึ่งเน๊ะใจแบบครวาดมันส่งเสริมยุ่งเหยิงบุ่นวายมันมีความสุขแต่มันสุขเจือไปด้วยของเจือปนของยาพิษเนี่ยที่มันอาเปียในนั้นอ่ะเหมือนกับเบ็ดเนี่ยหมือนกับอาหารเนี่ยเจือด้วยยาพิษเน่ยกินเข้าไปก็อร่อยแต่มันให้ผลขึ้นมาแล้ ว, ลวตะลีตะเลือแล้วกระเสือกกระสนผลที่สุดก็เลยตาย อันนี้ก็คือกินอาหารที่เจือด้วยยาพิษอันนี้ก็เหมือนกันทางโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วบอกท่านว่าป ฏ, ฏิบัติตามราคะโทสะโมหะตามความรักความใคร่ความโลภความโกรธความหลงมันก็ไหลลงไปทางต่ำแต่ว่าผลของมันมีแต่ความทุกข์ระทมออไม่มีที่สิ้นสุดในวัฏฏวนนั้นเพราะนั้นต้องทวนกระแส สวนกระแสขึ้นมาการสวนกระแสเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเพราะพุทธเจ้าจนอ่อนพระไทยเนะี่ยที่ท่านตัดสู้รมบรรตัดสู้รมทอพระไทยโอ้โหเราจะไปสอนเขาได้ยังไงนะเพราะธรรมะที่เราได้เนี่ยมันมันไม่ใช่มันมันไม่ไปตามกระแสเขาเลยมันทวนกระแสขึ้นมานะลโลกเขาจะทวนไหมเนี่ยเขาจะยอมเชื่อฟังไหมเนี่ย เพราะมันไหลไปตามกิเลสราคะโทสะโ ม, มหะอันนี้คนทั้งหลายกับพิจณาว่าร่างการนี่เสร็จสวยงดงามแต่ธรรมะเนี่ยพิจรณากรับทวนกับว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะปฏิกูลแก่เจ็บตายคือให้เห็นตามความเป็นจริงคนจะมองเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่โดยมากมันไม่มองเห็นตามความเป็นจริงสิมันมีแต่เสกสรรกันขึ้นมาอุปโลกกันขึ้นมาบอก คิดกันขึ้นมาทบทวนกันขึ้นมาดัมบิคคำหนึงถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความรักความโอบความโกรธความหลงขึ้นมาแต่พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะตัดกิเลสตัวนี้ลงได้มากทีนี้คนทั้งหลายจะทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าพระองค์ท้อพระไถ่พระทบทวนดูแล้วมีแต่คนไหลไปตามกิเลส พระไทยของพระองค์และใจของพระอง์ก็สวบขึ้นมาเราเป็นใครเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ก็คงจะมีหลายระดับแต่ก็แยกออกมาทีนี้ระดับเหมือนกับดอกบัวอยู่ใต้น้ําก็มีอยู่กลางน้ําก็นี่พร้อมที่จะพ้นน้ําก็มีพ้นน้าแล้วก็มีพ้นน้ำใกล้ใกล้ก็บาพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมพอได้ยินเสียงธรรมะเข้าไปสู่จิตใจเท่านั้นดอกบัวก็บานรับ กัรว่าเนี่ยเพราะนั้นเราอปฏิบัติได้พ้นถึงขนาดนี้แล้วก็ควรจะหาวิธีแนะนําสั่งสอนด้วยปัญญาชี้แนะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเพราะพรุทธเจ้าเป็นผู้ชีห้หนทางเท่านั้นเด้ไม่ใช่พราะพุทธเจ้าจับไม้จับมือต้องเดินยังกม้มเลจับค้ายให้เดินยังไงจับนั่งจับจิตใจพลิกจิตใจยังไม่ใช่ พระพุทธเจ้าเป็นต่เป็นผู้ชี้หนทางพวกท่านทั้งหลายควรคิดอย่างนี้ควรพูดอย่างนี้ควรทําอย่างนี้เนีเท่านั้นเองเป็นผู้บอกหนทางทางว่าพวกเราไม่เดินตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน พ, พุทธเจ้าก็มัดปัญญาเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ยมื่อคนไข้กินยานะกินยานี่เดี๋ยวกว็าหายกินยาอย่างนี้หายคนไข้เม้มปากไม่ยอมกินเด็ดขาด แล้วจะทำยังไง เ, เราจะไปเจาะคอขอหรือจะไปยัดเข้าไปแล้วงัดปากเขาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเอถึงยังไงอันนี้มันเรื่องของใจเลยใจมันปิดซะอย่างเดียวใจไม่รับรู้ซะอย่างเดียวอันนี้มันกายได้ยาเนี่ยใจถ้ามันปิดซะอย่างเดียวระยิ่ยงร้ายกว่ากายหลายร้อยเท่าน่เอถ้าปิดใจไม่ยอมรับคุณงามความดีไม่ยอมรับเหตุรับผลซะอย่างเดียวเท่านั้ น, นมันอะไรจะสอดเข้าไปได้ มันเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นแต่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชีน้นําเป็นผู้บอกทางให้พวกเราเดินเท่านั้นแต่พวกเราไม่เดินก็ไม่รู้จะทํายังไงช่วยไม่ได้เพราะงั้นเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาทั้งหมดที่เราได้ศึกษาจากหนังสือจากธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลิขิตเขียนเอาไว้หรือแสดงธรรมเอาไว้พวกเราควรจะนํามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเรานะ ให้ไปในทางที่ถูกต้องดีงามอีกสักวันนึงจิตใจของเราบา ร, รมีของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเห็นศีลเห็นธรรมเป็นของมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่เมื่อเห็นของมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆจนั่นากนั้นก็พฤ่งปฏิบัติธรรมปล่อยวางทางโลกไปเรื่อยๆเออทางโลกเป็นของจอมปลอมเป็นของไม่เที่ยงมัน่นไม่เที่ยงแท้มั่นคงมันกองงน็อย่างนั้นอย่างนั้นน้อนโลกเอ้ยน อ, อ, อ่พระพุทธเจา้าท่านพาเดิน ทางนี้แหลจากนั้นก็จิตใจของเราก็สูงส่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเื่ อ, อจนถึงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นผู้มีธรรมในใจเต็มเปี่ยมเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอาจากนั้นก็นเนี่ยมองเห็นตัวเองนะเออสมัยก่อนเราโง่เง่าเต่าตุนเนาะเราลุ่มหลงกับ หมูดและกรีดขีเหี่ยวเอของสกรปรกลบกลุงลังไปหมดแต่บัตรนี้ใจของเราถอยขึ้นมาแล้วมาถึงทำแล้วเออเราจะมองเห็นได้ถ้ามีทำถ้าเราไม่ได้คิดในแง่ธรรมะแล้วก็อย่างว่านั้นมันก็ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอากรรมพอมันมืดบอดอใจของเรายังมืดบอดอยู่เอ แต่ถึงยังไงก็ทางพอพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะมองเห็นแสงสว่างเดินตามแถวแนวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็ยนผาสุกทางด้านจิตใจนะแต่วันนี้ก็ขอพูดเพียงตอนนี้ต่อไปก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาต่อนะ